สการเจริญวิปัสนาหนึ่งการเจริญวิปัสนาต้องหัดแยกรูปแยกนามเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางในวงเล็บสัมมาสมาธิจึงจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงแต่ถ้าใจไหลไปแช่นิ่งกับอารมณ์จะเกิดสมถะจะเห็นความเป็นจริงไม่ได้ 2. ในการทำวิปัสนาจำเป็นต้องแยกรูปขีดนามในวงเล็บหรือกายกับใจ ออกจากกันก่อนโดยให้รู้สึกว่ากายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูพอเห็นว่าอะไรก็ถูกรู้ถูกดูก็จะมีผู้รู้ขึ้นมาหรือถ้าสามารถรู้ละเอียดขึ้นก็จะเห็นว่ากายความรู้สึกสุขขีดทุกข์ความจำได้หมายรู้ความคิดความปรุงแต่งก็ไม่ใช่จิตในที่สุดจะพบว่าตัวเราไม่มีตัวเราคือความคิดเท่านั้น 3. การรู้ต้องรู้ด้วยสติและปัญญาโดยสติรู้สภาวะ วงเล็บเปิดสุขทุกข์โลภโกรธหลงวงเล็บปิดปัญญารู้ลักษณะในวงเล็บไตรลักษณ์สติมีหน้าที่จับในวงเล็บ ก, กิเลสปัญญามีหน้าที่ตัดในวงเล็บ ก, กิเลส 4. วิปัสสนาต้องรู้อารมณ์รูปนามแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์แต่เดิมคนจะคิดว่าถ้ารู้อารมณ์รูปนามแล้วจะเป็นวิปัสสนาคนจะเข้าใจตรงนี้ผิด มันจะเป็นวิปัสสนาต่อเมื่อมันเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามที่นี้ก่อนจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามก็ここเป็นได้แต่สมถะฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนาต่างกันวิปัสสนาต้องรู้รูปนามเป็นไตรลักษณ์รู้อย่างอื่นไม่ได้รู้สุญญาตาอะไรไม่ได้ไปคิดเรื่องรูปนามก็ไม่ได้ต้องรู้เอาส่วนสมถะไม่เลือกอารมณ์เลยใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้ เช่นเราพุทโธพุทโธเราพิจารณากายเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรอย่างนี้นี่เป็นอารมณ์บัญญตัติหรือรู้รูปนามก็ได้ตรงที่จิตยังไม่ขึ้นไปเห็นไตรลักษณ์ก็เป็นสมถะเช่นเราเห็นร่างกายนี้หายใจไปเห็นท้องพองยุบไปส่วนใหญ่ก็ไปติดอยู่แค่สมถะไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงหรอกเพราะใจเข้าไปแช่กระทั่งนิพพานก็เอาเป็นอารมณ์ของสมถะได้ ฉะนั้นสมถกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์เลยได้ทุกอารมณ์เลยเพราะตัวอารมณ์มันก็ประกอบไปด้วยอารมณ์บัญญตัติคือเรื่องราวที่คิดเช่นคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูลอสุภะอารมณ์รูปนามถ้าใช้เพ่งรูปเพ่งนามก็เป็นสมถะอารมณ์นิพพานก็เป็นสมถะสาหรับทําผลสมาบัติแต่ถ้าจะทําวิปัสสนาต้องรู้รูปนามฉะนั้นวิปัสสนาทํายากมันเลือกอารมณ์แล้วก็เลือกวิธีรู้อารมณ์ด้วย ลำพังเลือกอารมณ์ถูกต้องแล้วรู้รูปนามถูกต้องแล้ววิธีรู้รูปนามไม่ถูกต้องมันก็เป็นสมถะอีกเช่นเอาใจเข้าไปแช่ไว้กับอารมณ์เอาใจไปแช่ไว้กับท้องท้องพองยุบแล้วแช่แนบเข้าไปก็เป็นสมถะเดินจงกรมเอาใจแช่ไว้ที่เท้าก็เป็นสมถะรู้อริยาบทสี่เพ่งมันทั้งกายเลยก็เป็นสมถะนะ ดังนั้นสมถะทําง่ายส่วนใหญ่ที่ผู้ปฏิบัติทําได้แค่สมถะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้มีความสุขพรุ่งนี้ไม่มีความสุขวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านกี่ปีกี่ชาติเวียนอยู่แค่นี้เองถ้าไม่เวียนอยู่อย่างนี้ก็ไปค้างคาอยู่กับความนิ่งนิ่งว่างว่า ง, างเพราะไปเพ่งเอาไว้กี่ปีกี่ชาติก็ว่างอย่างนั้นแหละแต่ว่ากิเลสไม่ล ด, ไ ม, ลดไม่ละถ้าเราช่างสังเกตจะเห็นเลยมันไม่ลดไม่ละกิเลสอะไร กิเลสมันครอบงําได้พอครอบงําได้ก็มาอธิบายว่าเป็นกิริยากิริยาจิตไม่ได้ถูกกิเลสครอบงํานะกิริยาจิตนี่จิตมันอยู่ตังหากเลยจิตมันกว้างขวางไร้ขอบไร้เขตจิตที่มันกว้างขวางมันไม่มีขอบมีเขตอะไร